ที่ดีงามชีวิตที่อุดมไปด้วยมงคลไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีปัญหาไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ราบลื่นทั่งพร้อมไปด้วยวัตถุหรือความสะดวกสบายแต่เป็นชีวิตที่โลกธรรมไม่สามารถจะทำจิตให้หวันไหวได้โลกธรรมมันก็มีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบฝ่ายบวกก็คือ ลาบยศสารรเริญแล้วก็สุขสุขนี่หมายถึงสุขคุเวทนาฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศ ด, ดินทาแล้วก็คุเวทนานนชีวิตที่ดีชีวิตที่นาสารรเริญในพุทธศาสนานนไม่ใช่ชีวิตที่อยู่เป็นกองเงินกองทองหรือว่าเต็มไปด้วยโปกลาบวาสนาแต่เป็นชีวิตที่ไม่วันไหว ในยามขึ้นหรือในยามลงบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากนะักแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่อนไหวไปกับในความยากลาบากแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงสารเสริญก็ไม่ได้เป็นทุกข์ในทางตรงข้ามถ้าหากว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่สมปรารถนามีทรัพสมบัติมีชื่อเสียงเกิตติยศแต่ว่าจิตใจนั้นเนี่ยมันเพลิน กับสิ่งเหล่านั้นคือโลกธรรมายบวกก็เป็นชีวิตที่สามารถจะเป็นทุกข์ได้ทุกเวลาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือโลกธรรมไฟบวกนี่มันไม่เที่ยงมันก็มีวันแปรปรวนยิ่งคนที่ปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับโลกธรรมายบวกมากเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาแปลเปลี่ยนมันก็ทุกข์มาเท่านัน้นเหมือนกับยิ่งลอยสูงพอตกลงมามันก็เจ็บ ยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็เจ็บมากเท่านั้นผู้ที่มีปัญญาก็หลายเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อโลกธรรมไฟบวกเกิดขึ้นปรับชีวิตก็ไม่เพลิดเพลินพราะรู้ว่าไม่นานมันก็แปรเปลี่ยนไปก็เกี่ยวข้องกับมันได้อย่างถูกไม่ใช่ว่าปฏิเสธมันนะไม่ใช่วันหนีมันอย่างพวกที่เป็นนักบวชพวกฤาษี หรือพวกนิคร่พวกนี้เขาเป็นพวกที่หนีโลกการทาไฟบวกไม่ต้องการที่จะไปพบกับความสะดวกสบายก็ข้อหาการทรมานตนแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แต่ว่าให้เกี่ยวข้องกับมันให้ถูกก็คือว่าไม่เพลิดเพลินไม่ยึดติดไม่ยึดติดในรสอร่อยพ่อถวายอาหารที่ประณีตพอถวายจีวรที่ประณีตก็รับเมื่อสมควรแก่เหตุ เมื่อผู้ถวายมนมีศรัทธาพระถวายกุตติที่สร้างอย่างดีก็รับไม่ได้ปฏิเสธความสะดวกสบายจากสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าก็ไม่เพลิดเพลินยินดีแม้ว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นจากการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นก็รู้ทันก็รู้แล้วก็สามารถที่จะวางใจเป็นปกติได้แต่คนที่ไม่ศึกษาไม่มีปัญญาไม่มีสติ เมื่อใช้สอยสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเพลิดเพลินติดในรสอร่อยเสร็จแล้วก็ทุกภายหลังเปรียบเหมือนกับปลาที่ไปกินเหยือ่อเห็นเหยื่อ ก, ก็ก็ไปหาเมื่อหุบเหยื่อทีแรกก็มีความรสอร่อยแต่ต่อมาก็พบว่าเบ็ดแหลมก็ทิ่มปากเอาก็เจ็บปวดอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกธรรมายบวกหรือว่ากาม กรารคือสิ่งที่น่าพึงพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายคือมันมีคุณตรงที่มันมีรสชาติที่อริดอร่อยทําให้สะดวกสบายแต่โทษคือว่ามันเต็มไปด้วยทุกมันแปลปรวนก็เหมือนกับเยื่อที่มันฝังเบ็ดเอาไว้หรือเหมือนกับปลาที่เต็มไปได้วยก้างแม้รสชาติจะอริดอร่อยแต่พอกินเข้าไปกินไม่เป็นก้างปลาก็แทงเอาปลาที่หุบเหยือ่อตะกลุมตะกา ร, รงับเข้าไป มันก็อร่อยอร่อยทีแรกแต่เดี๋ยวเดียวก็โดนเบ็ดทิ่มเจ็บปวดอาจจะถึงตายนี่เรียกว่าโทษเรียาอาทินวะคุณประโยชน์คือความอรรถอร่อยเขาเรียกว่าอาสาทะแต่ผู้ที่มีปัญญาก็รู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เมื่อจะเสพสิ่งที่อรรถอร่อยก็ไม่ได้เพลิดเพลิกับมันก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนกับปลาที่ฉลาดนะก็กินเหยื่อแต่ว่าเบ็ดไม่ทันจะทิ่มเมาหรือกินปลา โดยที่เรามัดนระวังไม่เพลิมไปกับรสชาติของเนื้อปลาก็เลยไม่โดนก้างปลาทิ่มเอาก้างปลาไม่ติดคอนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ในโลกได้ท้ามกลางความผันผวนบางทีท่านก็เปรียนเหมือนกับว่าเป็นลิ้น ง, งูที่อยู่ในปากงูปากงูนี่มันก็เต็มไปได้วยเขี้ยวนี่คือธรรมชาติของโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกมันแฝงอยู่ในสุกนั่นแหละ ของที่อร ե ตอร่อยมันมีทุกแฝงอยู่ทุกนั้นไม่ได้ไหมายความเฉพาะความแปลปรวนแต่มันยังรวมไปถึงสิ่งที่มันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้อย่างอาหารที่เรากินอร ե ตอร่อยมันก็อร ե ตอร่อยเฉพาะมื้อแรกถ้าเรากินทุกวันทุกวันทุกวันเช้ากวันเย็นเช้ากับวันเย็นกินตลอดอาทิตย์กินตลอดเดือนในความอร ե ตอร่อยก็จะค่อยค่อจางคลายไป มันจะมีความเบื่อเข้ามาแทนที่แล้วจากความเบื่อนี่ยก็กลายเป็นความเอียนจนบางทีนี้แค่เห็นก็เอียนแล้วมันกินไม่ลงอะเพราะมันกินทุกวันแม้ว่าจะเป็นอาหารราคาแพงแค่ไหนจะเป็นหูฉลามจะเป็นไก่ย่างจะเป็นอ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยนี่คือความสุขที่แฝงไปด้วยทุกข์หรือเหมือนกับที่จะยกตัว อ, อย่างว่าอิริยาบถไม่ว่าท่าไหนที่เราคิดว่ามันสบาย มันก็สบายในทีแรกพออยู่ในอิริบนนั้นนานๆไม่ว่านั่งเอนนอนทําไปนานๆความทุกข์มันก็ปรากฏกลายเป็นความเมื่อยขนาดนอนไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ยังเมื่อยได้ถ้านอนเกิน10บชั่วโมงหรือว่าเกิน8ดชั่วโมงมก็จะเริ่มเมื่อยและในที่สุดก็จะมีแผลกดพับอันนี้เรียกว่าเป็นทุกที่แสนกินในสุขเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดผู้นิปัญญาก็จะ ไม่ไปเพื่อเพลินยินดีกับมันมากไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยึดติดในอีกด้านหนึ่งโลกธรรมฝ่ายลบมันก็ได้แก่สิ่งที่ไม่สมหวังเสื่อมยศเสื่อมลาภความพัดพลาดจากสิ่งที่น่าพอใจรวมทั้งทุกโควทนาไอสิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญาก็ไม่หักใสไม่รังเกียจคือเกี่ยวข้องกับมันถึงแม้ว่ามันจะทาให้เกิดความไม่สบายกาย แต่ว่าใจก็ไม่ทุกไปกับมันที่ใจไม่ทุกก็เพราะว่ายอมรับมันตามที่เป็นจริงได้ยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติที่ต้องเจ็บป่วยพัดพราสูญเสียของรักคนรักมันก็เป็นธรรมดาที่จริงเตรียมใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เพลิดเพลินยินดีตอนที่ประสบความสมหวังแล้วคือช่วงที่ประสบสิ่งที่พึงปรารถนา เนื่องจากไม่ประมาทเนื่องจากเข้าใจความเป็นจริงว่าสักวันหนึ่งมันก็แปรปรวนไม่ได้เพลิดเพลิน เ, เพราะฉะนันเมื่อถึงเวลาที่มันแปรปรวนไปจริงๆก็ไม่ทุกเมื่อนคนที่ตอนที่เศรษฐกิ จ, จเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลไปกับมันก็ตระหนักว่าสักวันหนึ่งมันก็ถึงเวลาที่จะลดป้อยต่ําลงตามวัตจักรของเศรษฐกิจและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ย ตอนที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองอก็ไม่ได้เพลิดเพลินแล้วก็ยังมีการเตรียมตัวระมัดระวังหรือเตรียมแผนเอาไว้พอเศรษฐกิจมันเข้าสู่ขาลงเงินเฟอ้อของแพงก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าทําใจไว้แล้วเตรียมไว้แล้วใจไม่หวั่นไหวอันนี้เรียกว่าโลกธรรมไม่แต่ต้องให้เศร้าหมองแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่เช่นนั้นตอนเศรษฐกิจดีก็เพลิดเพลินยินดีเหมือนกับว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอด น, นพอเศรษฐกิจตกต่ํามันก็ไม่ตกต่ำมันแค่ถกถอยน้ํามันแพงของแพงก็โวยวายกันใหญ่เหมือนกับว่าจะอยู่ไม่รอดทั้งๆ ท, ที่พวกเราก็เคยเจอเหตุการณ์ที่มันแย่กว่านี้มาแล้วสมัยเศรษฐกิจปี40มันก็แย่กว่านี้ 30-40 ปีก่อนมันก็แย่กว่านี้จําได้ตอนเด็กๆนี่ต้องเข้าคิวซื้อน้ำตาลซื้อข้าว ประมาณปีหนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยต้องเข้าคิวซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีภาพแบบนี้แล้วแดะยิ่งสมัยคนรุ่นพ่อเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงเสียชีวิตกันไปเยอะแล้วโตในสมัย ส, ยสงครามโลกครที่สองอ้วนลบากแบบนี้เยอะไม่มีน้ํามันต้องใช้น้ํามันคิโลน้ํามันคิโลนี่เดี๋ยวนี้มีใครรู้จักแล้วน้ํามันก๊าซไม่มีไม่มีสบู่ไม่มีแม้แต่กระดาษจะใช้ก็อยู่กันมาได้ แต่ทุกวันนี้เรามีทุกอย่างพรั่งพร้อมบริบูนแต่คนก็ยังโวยวายเหมือนกับว่าโลกมันจะถล่มทลายให้ได้อันนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมใจไว้แล้วก็ใจมันก็ไม่ยอมรับมันปฏิเสธที่จริงถ้าเริ่มทําใจยอมรับว่ามันเป็นความเป็นจริงที่หนีไม่พ้นใจมันก็นิ่งได้ความทุกขงคนเราเกิดจามันดิ้นที่จะปฏิเสธดิ้นที่จะผลักไสออกไป เราก็เรียนรู้ที่จะประเชิญกับโลกธรรมโดยจิตไม่วันไหวก็จากการปฏิบัตินี่แหละเพราะว่าใจของเราก็มีขึ้นมีลงไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวก็เพลินนึกคิดไปในเรื่องที่เป็นอดีตที่เคยสนุกสนานใจมันก็เพลินพอนึกถึงเหตุการณ์ที่สูญเสียคนรักหรือว่าประสบกับปัญหาในชีวิตในการงานใจมันก็ตกอันนี้เพราะไม่มีสติ แต่ถ้ามีสติก็ให้แค่เห็นมันเฉยๆหลวงพ่อคอำเขียนบอกว่าคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็ช่างมันคิดดีก็อย่ายไปยึดคิดชั่วก็อย่ายไปปฏิเสธบางทีมันคิดไปในทางที่ไม่สวยไม่งามเกิดการมราคะมากขึ้นก็ดูมันเฉยๆอย่างนั้นแหละฝึกให้ดูมันเห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่เป็นบวกไม่ไปผักสายในสิ่งที่มันเป็นลบนะสิ่งที่เป็นลบก็จะมายถึงความเครียด หมายถึงความฟาุ้งซ่านหมายถึงนิวรณ์ต่างๆความหงุดหงิดปฏิฆะความขัดเคืองปกติพอมันเกิดขึ้นมันก็อยากจะผลักออกไปแต่ถ้ามันไม่ไปจิตมันก็เป็นทุกข์มันดิ้นดิ้นมันก็มีสองอย่างนะดิ้นดิ้นเพื่อจะผลักออกไปกับดิ้นเพื่อจะคลองมันหรือดิ้นเพื่อจะยึดมันให้อยู่กับเราไปได้นานๆเช่นเวลาเกิดความสงบมันก็เพลินกับความสงบดื่มดำกับความสงบ แต่ล้พอความสงบหายไปมันก็ทุกข์แล้วสิเพราะอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกเมื่อวานนี้สงบวันนี้ก็ก็เริ่มจะดิ้นเพื่อจะให้มันกลับมาเหมือนกับเมื่อวานดิ้นเพราะอยากกับดิ้นเพราะปฏิเสธมันก็มีผลเสมอการก็คือว่าเป็นทุกข์ไม่ว่าจะดิ้นเพราะอยากหรือเพราะยึดหรือดิ้นเพราะผักสายเพราะปฏิเสธเพราะไม่ชอบให้เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ยึดไม่ได้มุ่งออกอบความสงบนะ การปฏิบัติแนวสติปัฏฐานหรือที่นี่เนี่ยเพราะว่าสงบแล้วแต่ว่าไปยึดติด ก, กับมันไปเพลินกับมันมันก็ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงจะไปหวังจะไปฝากผีฝากไข้เพื่อความสงบมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเราเป็นอนัตตามันไม่อยู่แนวหน้าของเราเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดหรือไม่คิดหรือว่าเราจะคิดเรื่องอะไรลองสังเกตดูจิตของเราเนี่ยแค่ความคิดหนึ่งนาทีข้างหน้านี้เรา รัประกันไม่ได้ว่ามันจะมีสติหรือมันจะฟุ้งแล้วมันจะฟุ้งมันฟุ้งเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้พยายามจะคุมไม่ให้มันคิดเรื่องนั้นมันก็ไปโผล่ไปคิดเรื่องนี้เพราะนั่นเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาความสงบเราออกแค่เห็นเฉยๆแค่รู้เฉยๆรู้ตะพึ่งตะพือไปไม่ว่าดีหรือไม่ดีไม่ว่าบวกหรือลบแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเพียงแต่รู้มันเฉยๆเห็นมันเฉยๆตามที่เป็นจริงมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันไม่สามารถเทียบทนต่อ อาการเห็นอย่างมีสติอาการเห็นอย่างเป็นอุเบกขาแต่ถ้าไปพยายามปฏิเสธผักสายมันมันยิ่งสู้นมันยิ่งขัดขืนนะมันยิ่งพยศนะยิ่งสู้ยิ่งปฏิเสธมันมันยิ่งชอบเพราะว่าเหมือนกับไปเติมฟื้นให้มันทีแรกเราปฏิเสธมันแต่ไปมาเรากลับไปยึดติดมันมันเหมือนกับมีไม้ต้นไม้มันจะล้มอะนะสมมุติต้นไม้จะล้มแล้วเราเราเห็นก็เราก็ไปรับเราก็พยายามไปรับเพื่อเทียบผลักมันออกไป เรไปรับต้นไม้ต้นนั้นเพื่อที่จะผลักมันออกไปแต่มันหนักมากเราก็ผลักไม่ไปไปมากลายเป็นว่าเราแบกมันเอาไว้เราอยากจะให้มันไปไกลๆแต่ไปไปประมาณไปว่าเราไปผูกติด ก, กับมันแทนที่เราจะปล่อยให้มันลม้มเราไม่เราพยายามเข้าไปยันเพื่อที่จะผลักมันออกไปอันนี้คือปฏิเสธคือการไม่ยอมรับแต่สุดท้ายเราก็ผูกติด ก, กับมั น, นเวลาเราปฏิเสธอะไรก็ตามเนี่ยใจที่ผักใส่ใจที่ดิ้นเพื่อที่จะผลักมันออกไปเนี่ย มันก็ลงเอยด้วยการไปผูกติดกับมันมีความโกรธเกิดขึ้นอยากจะผลักมันออกไปแต่สุดท้ายมันก็ผูกติดยึดกับความโกรธนั่นแหละยึดนึกคิดแต่เรื่องที่ทาให้เราโกรธวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้เพราะมันเริ่มต้นจากการที่จะผลักมันออกไปแต่พอเราลองเปลี่ยนใหม่นะลองเห็นมันเฉยๆไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับมันเรียกว่าวางใจเป็นกลา ง, ลางเมื่อระาวาังใจเป็นกลางเนี่ย จิตเราก็ไม่เข้าไปยึดเมื่อจิตเราไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ได้รับการปรุงแต่งมันก็ไม่ถูกปรุงแต่งมันก็ดับไปเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นตัวเป็นตนมันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะขณะขณะมันเกิดขึ้นเป็นขณะขณะที่เกิดดับเกิดดับทีเร็วมากแต่ที่มันดูมันต่อเนื่องเพราะว่าเราไปปรุงมันและสาเหตุที่เราไปปรุงมันเนี่ยมันก็มี2ออย่างคือเราเพลินเพลินไปกับมันหรือว่าเราไปพยายามผลักมัน ยิ่งผลักก็ถ้าก็ยิ่งถูกปิ้งยืดลองสังเกตดูสิ่งที่เราปฏิเสธมันแน่เราอย่าจะผลักมันออกไปแต่สุดท้ายเราก็ยึดติดสมมุติมีมือเราไปถูกของเหม็นเนี่ยถูกขี้ถูกของเหม็นเนี่ยอย่างแรกที่เราทําคือดมพอเราดมเสร็จเราก็พยายามที่จะถูพยายามที่จะทําความสะอาดแต่เช็ดเสร็จแล้วเราทําะไรต่อเราก็ดมอีกพอเรารู้สึกมันมีกลิ่นเราก็ล้างมันใหม่แล้วเราก็ดมอีก ยิ่งเกลียดมันกับยิ่งดมมันบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเหมือนกับลิงอะนะลิงเนี่ยมือมันถูกกระปีบางทีมันถูกคนแกล้งแล้วมือมันไปถูกกระปีลิงมันไม่ชอบกระปีมันทํำยังไงมันก็ถูถูถูเอามือถูหินถูเสจ้ก็มาดมดมเสร็จมันเหม็นมันก็ถูใหม่ถูใหม่ก็ดมอีกมันทำอย่างงี้จนกระทั่งมือนี่เลือดไหลมันเลือดไหลเพราะอะไรมันเลือดไหลไม่ใช่เพราะกระปีนะแต่เพราะความเกลียดความขยักขยงกระปียิ่งขยะกขยงก็ยิ่งดม ยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งผูกยึดหรือผูกติดและเพราะฉะนี้เราก็ฉลาดที่จะมองเห็นตรงนี้บ้างมีคนนึงเขาบอกว่าเขามาปรึกษาว่าเวลาเขานั่งสมาธิเนี่ยหรือเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยโดยเขาต่อหน้าพระพุทธรูปเนี่ยจิตเนี่ยมันจะต่อต้านและวิธีที่มันต่อต้านคือมันจะคิดทาลามกหรือว่าคาด่าคาหยาบคายต่อพระพุทธรูป เขาก็เป็นทุกข์มากเขาพยายามที่จะหยุดมันพยายามที่จะระงับมันมันก็ไม่หายอันนี้ก็เดาได้เพราะว่ายิ่งไประงับยิ่งไปหยุดยิ่งไปห้ามมันมันก็ยิ่งโผล่ความคิดอะไรก็ตามที่เราไปห้ามมันมันก็ยิ่งโผล่คนที่อยากนอนหลับเพราะจิตใจฟุ้งซ่านยิ่งไปห้ามความคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่ก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากหลับมันก็เลยไม่หลับแต่พอลองปล่อยมันปล่อยมันไปไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็หลับไปเอง ความคิดที่เป็นอกุศลต่อพระพุทธรูปเนี่ยมันก็รบกวนคนคนนี้มากจนกระทั่งไม่อยากจะนั่งสมาธิรู้สึกผิดรู้สึกบาวว่ามีจิตใจที่ไม่เป็นกุศลต่อพระพุทธรูปก็บอกกขาไปว่าให้ถือเสิวนี่มันเป็นอุบายของกิเลสอุบายของมารที่จะพยายามให้เราเนี่ยไม่ไทําความดีมานี่มันมาหลายรูปแบบบางทีมันก็มาในรูปที่น่ากลัวเพื่อให้เรา เลิกปฏิบัติทำบางทีมันก็มาในรูปลักษณะที่ทําให้เราท้อแท้หรือเบื่อหน่ายการอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นอาการของจิตที่มันดื้อที่มันปพิยดที่มันจะพยายามที่จะทำให้เราตายจากการปฏิบัติอย่าไปโกรธตัวเองอย่าไปโมโหตัวเองนะลองลองยอมรับมันตามเป็นจริงว่าหรือมองอีกแง่นึงก็ได้ว่าเปลี่ยนเหมือนกันมันเป็นเด็กเด็กสนเด็กเกเรก็ปล่อยมันไปนะยิ่งห้ามมันก็เหมือนยิ่งยุปล่อยมันไป หรือว่าจะมองมันด้วยสายตาของผู้ใหญ่ใจดีก็ได้คือไม่ไปเดือดร้อนกับมันแล้วดูเสื้อมันจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนตอนหลังเขาก็มาบอกเห็นมาบอกว่าขอบคุณว่าเราทุกแบบนี้มาต้องนานแล้วทุกพ่อคิดจะไปสู้กับมันทุกพ่อปฏิเสธมันแค่พวกเราต้องลองดูนะนี่วอนนี่ที่มันเกิดขึ้นความเครียดความหงุดหงิดถ้าเราไปปฏิเสธมันพยายามที่จะเอาชนะมันเนี่ยเราก็โดนมันหลอกละ เพราะมันต้องการให้เราไปยุ่งไปพัวพันกับมันเราก็ไม่ต้องสนใจเพียงแค่ดูเฉยๆเพราะเมื่อเราดูเนี่ยก็เท่ากับว่าเราวางระยะห่างจากสิ่งนั้นเมื่อเราวางระยะห่างจากสิ่งนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับนักมวยที่มันเอื้อมแขนมาไม่ถึงเราเตะก็ไม่ถึงเพราะมันอยู่ห่างแต่ถ้าเราเผลอถูกมันยั่วเราก็เข้าไปพัวพันกับมันเข้าไปพันตูกับมันก็ไปตกลุมบอนกับมันเราก็เสร็จเองเพราะมันต้องการให้เราไปตกลุมบอลกับมันอยู่แล้ว เราไม่ตะลุมบอลเราอยู่เฉยๆเรามองมันนะเราก็ไม่เดือดร้อนมันนะมองด้วยใจที่เป็นกลางแบบนี้แล้วนะไม่ผลักสไม่ใฝ่หาไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ปฏิเสธคนเราทุกเนี่ยเพราะว่ามันยึดติดในสิ่งที่น่าพอใจและมันปฏิเสธสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วแทนที่จะยอมรับความเป็นจริงก็ไม่ยังหัวหาอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ยอมรับมัน ให้เราก็ฝึกนะหลวงพ่อท่านก็นสอนว่ามีอะไรก็ให้รู้มันรู้อย่างเดียวรู้แต่พื้นตะพื้นไปสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ไม่มีความคิดก็รู้แต่บางทีไม่มีความคิดนานๆก็ไม่ใช่ว่า ด, ดีนะบางทีมันอาจจะเกิดจากกิเลสหรืออาจจะเกิดจากความคิดมันหลบในคนที่ชอบเพ่งชอบเฝ้าดูความคิดมากๆเนี่ยความคิดมันก็รู้แกวนะ วิธีนี้คือมันก็หาเรื่องอื่นคิดไปจ่อเรื่องนี้ไปคอยไปดักว่ามันจะต้องคิดเรื่องงานมันก็ไปโผล่เรื่องลูกเรื่องบ้านพอจะไปดักดูว่ามันจะโผล่เรื่องลูกเรื่องบ้านมันก็ไปโผล่เรื่องธรรมะแต่บางทีมันก็ปรบายหายไปเลยแต่เราจะรู้สึกเลยว่ามันผิดปกติเพราะว่ามันมันตื้มันตื้มันหนักเสร็จแล้วพอเราเผลอเมื่อไหร่เช่นเรากำลังจะนอนเนี่ยโอ้โหมันพลั่งพลูออกมาถล่มทลายจนทั้งนอนไม่หลับเลย แล้วบางทีมาไปไปเกิดอา ก, การอย่างอื่นเช่ น, นปวดโน่นปวดนี่เคยเป็นมาทั้ง2 อ, อย่างคือตื่อแล้วก็พอจะนอนโอ้มันมาใหญ่แล้วก็บางทีก็ปวดปวดสารพัดพอเราเกรงพอเราตั้งใจเพ่งดูความคิดมันก็เกิดความเกรงนะเกิดความเกรงเกิดความเครียดอี่แรกเครียดก่อนเครียดแลเครีมันก็เกรงเกรงเสร็จแล้วมันก็เลยปวดจนเดินไม่ค่อยได้จนยกมือไม่ค่อยไหว บางคนนี่มือค้างเล ย, ยหลวงพ่อคำเขียนน่นเคยเล่าที่วัดโม่ปกติก็ามาทําวัดทุกเช้าแต่และ ว, วันหนึ่งก็ไม่มาทําวัดเช้าท่านก็ไม่ได้คิดอะไรถึงเวลาฉันฉันอาหารก็ไม่มาท่านฉันเสเร็จก็เลยไปตามโยงคนนี้ก็ไปที่กุฏิถามพอเรียกชื่อท่านก็มีเสียงดังมาจากข้างในว่าหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย หลวงพ่อก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามือเขาที่เขา ย, ยกเนี่ยมันค้างไอ้มือที่ยกสร้างจังหวะเนี่ยมันค้างพอค้างมาตั้งแต่ตีสามแล้วละ่ะจนถึง8ปดโมงเช้าก็ยังวางมือไม่ลงหลวงพ่อท่านก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นแทนที่ท่านจะถามว่าเป็นพ่อแหละท่านก็ชวนคุยคุยเรื่องลูกถามว่ามีลูกกี่คนลูกไปอยู่ไหนบ้างาลูกมีหลานกี่คนลูกหลานทําอะไรบ้างถ้าคุยไปคุยมามือตกเลยนะ เขยังไม่รู้ตัวนะหลวงพ่อก็ชวนคุยสักพักก็เลยถามวอา้าวมือตกแล้วงไงนี่ไงมือตกแล้วทําไมมันตกเพราะว่าจิตมันแทนที่มันจะเพ่งเข้าในมันก็ค่อยๆ ค, คลายออกนอกพอคุยเรื่องข้างนอกเข้าเอาลวลำมันก็ค่อยๆหายเกรง็งหายเพ่งถ้าเพ่งจนเป็นนิสัยเลื่นี้มันแกยน่ยากนะมันติดจิตมันเพ่งเข้าไปใไนมากจิตส่งออกนอกก็ทุกข์นะแต่ถ้าเพ่งเข้าในนี่ก็ก็ถูกมาก มีหลายคนมีบางคนก็มีอาการเหมือนกับว่าเป็นลมเหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวพอไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันจะรักษาเลยก็หายแล้วเพราะว่าจิตมันหายเครียดจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่ให้เรารู้ให้เราวางใจเป็นกลางๆคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามก็รู้มันเฉยๆมันเครียดมันฟุง้งก็เห็นมันอย่าไปปฏิเสธอย่าไปรังเกียจ ไอ้จิตที่ลังเกียจนั่นแหละที่ทําให้มันอยู่ได้นานและเราเองก็ทุกข์ใจเนี่ยถ้ามันปฏิเสธเรื่องอะไรเนี่ยมันทุกข์มันทําให้ลําบากกว่าเดิมถ้าเจ็บป่วยและแทนที่จะยอมรับความเจ็บป่วยปฏิเสธไม่ยอมรับใจมันก็จะปวดด้วยใจมันก็จะเจ็บด้วยเวลาของหายนะแทนที่จะยอมรับมันใจมันปฏิเสธใจมันยังโหยหาอะไรมันก็จะทุกข์ทุกข์ไปที่ใจด้วย อันนี้พระเจ้าก็ตัดมาว่ามืนกัโดนธนูสองดอกโดนธนูสองดอกดอกแรกนี่เป็นทุกขเวทนาทางกายดอกที่สอเป็นทุกขเวทนาทางใจความร่ํารายลําพันธ์ความเศร้าโศกความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทาไมถึงต้องเป็นชั้นตีโพยตีภายจนสติฟันเฟือนไอ้พวกนี้มันเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทํางานทําการอะไรก็ตาม เราอาจจะไม่ชอบงานนั้นแต่เมื่อทําแล้วก็ให้ทําด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปปฏิเสธอย่าไปโวยวายตีโพยตีพายเพราะถ้าเราทําเช่นนั้นใจเราก็จะทุกข์งาน ก, ก็จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นถ้าอาจารย์พรมท่านเคยเล่าอาจารย์พรมมวังโสก็เป็นพระชาวอังกฤษท่านก็เล่าถึงตอนที่ท่านไปบวชใหม่ๆอยู่ที่วัดตองประพงศ์เมื่อ30มสบกว่าปีที่แล้วคราวนั้นก็มีการสร้างสร้างโบสถ์ สางเสร็จก็ปรากฏว่ามันมีหินมันมีดินมันมีทรายเหลืออยู่หลวงพ่อชาก็บอกให้พระในวันเนี่ยช่วยกันขนย้ายมาไว้ที่หนึ่งข้างล่างคือบสถมันอยู่ในที่สูง<ม>ก็ไปย้ายมาไว้ข้างล่างพระก็ช่วยกันขนสมัยก่อนไม่มีเงินจ้างชาวบ้านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องขนกันด้วยมือขนกันด้วยรถรถเข็นนะั่นนะก็ทําตั้งแต่ สิบโมงช้าฉันเสร็จก็ทําเลยจนถึงเย็นอําทั้งวันแต่ก็ร้อนสามวันเต็มๆเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเพื่อหลวงพ่อชาท่านไปธุระที่อื่นไปจําว่าที่อยู่สามวันช่วงที่หลวงพ่อชาไม่อยู่หลวงเจ้าว่าก็บอกว่าขนเมากองไว้ตรงนี้มันไม่ถูกให้ย้ายไปอีกที่หนึง่งซึ่งอยู่ไกลด้วยก็ไป็นว่ า, า, วาพระต้องขนกันอีกย้ายกันอีกสามวันเต็มๆ พอย้ายเสร็จคิดว่าจะได้พักหลวงพ่อชากลับมาหลวงพ่อบอกว่าทําไมย้ายตรงนี้ให้ย้ายกลับไปจุดเดิมที่ท่านบอกก็เอาอีกนะต้องค้นกันอีกสามวันเต็มๆ ต, ตอนนี้แหละนะอาจารย์พรหมบอกโอ้โทำแล้วทุกข์มากเลยผลดินนี่แต่ละทีแต่ละทีมันทุกข์มากเพราะว่าใจนี่ก็บ่นว่าทําไมครูบาอาจารย์ไม่ตกลงกันให้รู้เรื่องเสร็จแล้วก็มาเดือดร้อนพระในวัดคนไปก็บ่นไป พอยิ่งบน่นมันก็ยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์นี่ก็ยิ่งบ่นเข้าไปใหญ่สีหน้าท่าทางก็แสดงออกมาว่าทุกข์เหลือเกินจนกระทั่งพระไทยเนี่ยเห็นเขาก็ทักว่าเนี่ยบอกว่าปัญหาท่านคือคิดมากไปท่านก็ได้สติเลยนะใจมันเลิกบ่นเลยใจมันเลิกบ่นเลยแล้วท่านก็พบว่าพอใจเลิกเลิกบ่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ขนหินนี่ขนที่เคยรู้สึกว่ามันหนักหนักหนักนีก่มันกลับเบาลงมันกลับเบาลง ก็เลยรู้ว่าโอ้เวลาใจมันบ่นเนี่ยใจมันปฏิเสธเนี่ยงานก็กลายเป็นเรื่องยากแต่พอเรายอมรับมันไม่บน่นไม่โวยวายงานก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาอันนี้แหละการปฏิบัติแบบแนวหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ทาให้เหนื่อยคือทำได้ทั้งวันถ้าใจเราไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจถ้าจิตเราไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความสุนทรคิดหรือแม้แความเมื่อยให้วางใจเป็น ก, นกลางๆอย่าไปยึดติดสิ่งที่มันน่าพอใจอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่มันไม่น่าพอใจอะไรเกิดขึ้นก็ให้เห็นให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวแล้วการปฏิบัติมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงจิตเราจะดิ้นน้อยลงอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราทุกเนี่ยเพราะว่าจิตมันดิน้นมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมากระทํา ไม่ใช่เพราะงานหนักไม่ใช่เพราะว่าแดดร้อนไม่ใช่เพราะว่าการกระทาของใครแต่เกิดจากจิตที่มันดิ้นแล้วมันก็ดิ้นด้วยเหตุสองอย่างเท่านั้นแหละคือดิ้นเพื่อยึดเพื่อครองเพื่อมีกับดิ้นเพื่อจะผลักออกไปแต่ถ้าเราไม่ทำสองอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันมีอะไรเกิดขึ้นก็มองมาด้วยใจที่เป็นกลางคือรู้เฉยๆการปฏิบัติก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่บางๆก็ั้งยอมรับนะว่าจิตมันไม่ยอมทําแบบนี้หรอกเพราะว่ามันถูกฝึกมาให้ให้ดิ้นเป็นนิสัยของมันมันถูกฝึกมาเพื่อที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบคือมันจะมีความตั้งแงว่าชอบหรือไม่ชอบตลอดเวลาเป็นจิตที่อยู่กับความรู้สึกมากมีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีปฏิกิริยา ท, าทันทีเรียกว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบก็อยากจะเอาเยอะๆถ้าไม่ชอบก็อยากจะผลักออกไปถ้าเกิดว่าค่อยๆเห็นมันเห็นอาการของจิต ที่มันมีปฏิกิริยาเหล่านี้ไม่ว่าบวกหรือลบใจก็จะค่อยสงบลงอันนี้สงบได้เพราะสติและเมื่อสงบได้ก็รู้เหมือนกันเมื่อไม่สงบก็รู้มันก็มีเท่านี้แหละ